ทำกันขลานี้ขณะ น, นี้พวกเรามาปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคือการเจริญสติสติก็ไปตั้งไว้ที่กายเป็นเบื้องต้นแต่มันก็ไปตั้งไว้ที่จิต ด, ด้วยทำอย่างเดียวมันควบคุมหลายอย่างสราวะกายจิต ที่เป็นส่วนใหญ่ๆเป็นกองใหญ่ๆมันก็คุมได้แต่การเึกหัดเบื้องต้นเนี่ยเราเอากายเป็นนิมิตเอากายเป็นที่ตั้งก็จะเกิดการพบเห็นการศึกษาตามหลักของปฏิบัติจะต้องเกิดการพบเห็นไม่ใช่คิดเห็น พบเห็นกายจนเห็นกายเป็นสูตรก่ากายก็สักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคลตัวตนเราเขาเป็นคําตอบออกมาจากความรู้สึกตัวภายในไปเห็นแล้วจึงตอบจึงพูดออกมาจึงแสดงออกมาว่ากายสักว่ากาย ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นแจ้งจนขี้ลงไปสติเป็นการพบเห็นเข้าไปบอกเขาไปพูดไม่ใช่คำพูดเป็นความรู้สึกภายในอันเป็นสูตรจนลื้อถอนตนที่มีอยู่ในกายมีแต่เห็นเรื่องของกายเป็นการเห็น ไม่ได้เข้าไปเป็นเช่นพระเรียบบุคคลช่นต้นลื้อถอนกายเรียกว่าสักกายทิฐิไม่มีตนอยู่ในกายมีแต่เห็นเป็นอาการต่างๆลื้อถอนตนออกไปเสียได้เรียกว่าสักกายะทิฐิไม่มีตนอยู่ในกายเห็นความร้อนความหนาวความหิวความปวดเป็นอาการเห็น เห็นมันร้อนเห็นมันหนาวเห็นมันปวดเห็นมันหิวไม่เอามาเป็นสุขไม่เอามาเป็นทุกข์ในเรื่องของกายไม่เอาชีวิตไปห้อยไปแขวนไว้กับกายเห็นเป็นปัญญาเป็นปัญญาแล้วภาวะที่เคยสุขเคยทุกข์เรื่องของกายเอามาเป็นปัญญาเป็นปัญญาผลออกจากกายได้เกี่ยวข้องกับกายถูกต้อง ตามความเป็นจริงแล้วมันก็มีสูตรมันร้อนมันก็หนาวมันร้อ น, นก็อาบน้ำมันหนาวก็หม่มผ้าไม่ใช่เป็นตนเป็นปัญญาที่เขาไปเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องหิว ก, ก็กินข้าวหวดเมื่อยก็พักผ่อนในรูปกองกายกองลูกเห็นในความ เป็นจริงเห็นในความไม่เที่ยงเห็นในความไม่ใช่ตัวตนที่เป็นกองรูปเรียกว่าสูตรของมันเป็นอย่างนั้นไปเห็นเข้าจริงๆตอบได้จริงๆตอบครั้งเดียวจบไปตลอดชาติเห็นครั้งเดียวจบไปตลอดชาติมันก็มีเรื่องเดียวเรื่องของกายเรื่องของรูปปาาัญญาโนบสนาเป็นการศึกษาที่ไปพบเห็น เป็นสูตรเป็นด่านไม่กักเอาไม่ได้แล้วเรื่องของกายเรื่องของเวทนาก็เหมือนกันเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์คืมันเกิดขึ้นกับกายกับรูปส่วนรูปนี่ยมันเป็นเหตุเมื่อมันทุกข์ก็ไปถึงกิจถึงใจทำให้ใจทุกข์กายเราก็ทุกข์ใจทุกข์ใจเราก็ทุกข์กาย สุขกายแล้วก็สุขใจสุกใจแล้วก็สุขกายความสุขความทุกข์มันมันหน้ามือหลังมือมันเป็นสังขารทั้งสองอย่างที่เกิดจากรูปจากตามไม่ใช่เกิดจากปัญญามันก็ผิวผิวผลอเออันสุขอันทุกข์ที่เกิดขึ้นกับจิตกับใจกับรูปกับกายเป็นเป็นสุขแบบปรงปรง่งแต่งแต่ ง, ตงเป็นสังขาร เป็นสังขารเป็นเวทนาบางทีเราไปหลงบางทีก็หลงในเวทนาจนไปซื่อเอาเวทนาไปขโมยไปลักไปบังคับไปข่มขืนเอาสุขกับเวทนาเวลามันทุกข์ก็ปฏิเสธผักหน้าผักหลังหนีต้องโฮมร้องไห้เสียอกเสียใจดีอกดีใจ ของอย่างเดียวเป็นสุขของอย่างเดียวเป็นทุกข์ของอย่างเดียวรักของอย่างเดียวชังของอย่างเดียวชอบของอย่างเดียวไม่ชอบในลักษณะของเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์เราเห็นเห็นแจง้งจนตอบออกไปได้เลยเวทนาเกษตรว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาด่านนี่ก็กักเราไปอยู่แล้วกันกักเราไปอยู่ เห็นแจ้งในเวทนาเวทนาที่เกิดกับรูปกับตามเป็นปัญญาแล้วไม่ใช่เวทนารุ่นที่มันเป็นอุปท า, านไปยึดไปติดเวทนาที่เกิดปัญญาห้ามล่วงได้ตลอดทั้งจิตนะที่มันคิดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจมันเป็นความคิดแต่ก่อนเคยมีตัวมีตนอยู่ในความคิดใจคิดขึ้นมาก็หอบพิวไปได้ คิดสุขก็สุขคิดทุกข์ก็ทุกข์คิดเลิกก็ลิกคิดล้ก็ล้คิดโกรธก็โกรธก็หลงไปกับความคิดหมาลักษณะความคิดจิตใจที่มันความคิดที่เกิดขึ้นกับจิตเนี่ยความคิดที่มันเกิดขึ้นกับจิตมันก็คิดได้แต่พื่อแต่ือมันไหลมันไหลอยู่เหมือนกับไม้ที่รงพ่อถืออยู่ไลพอมีอะไรสัมผัสกัาไปมันก็เจ็บเอามันมี เพราะว่าที่เก็บมันมีคลื่นเมื่อนมีกระทบกับไฟกลายเป็นเสียงจิตก็มันกันมีอะไรมาสัมผัสกับไฟกันเป็นสุขเป็นทุกข์พบความคิดคิดไปต่างๆนาะนาะไม่เป็นสุขเป็นทุกข์ก็คิดไปไม่ใช่ตัวใช่ตนอยู่ตรงนั้นที่เห็นเห็นจิตที่มันคิดที่มันปรุงปรุงแต่งแต่งไป ตัวหลงพอให้เกิดความคิดเป็นปี่เป็นขุยเข้าไปพอมาเห็นเขาโอ้โทษแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นความคิดตัวเองเนื่อ ว, ว่าตัวว่าตนไปทั้งหมดสิ่งไหนที่เกิดจากความคิดถือว่าตนคิดเกิดมาเราก็เป็นไปต่างๆ ต, ตามอาการที่มันเกิดขึ้นกับจิตเห็นแล้วก็เป็นปัญญาเอา ความคิดเห็นความคิดเนี่ยเห็นความคิดเห็นที่เกิดขึ้นกับจิตเนี่ยมันก็เป็นปัญญาจนตอบได้แล้วจิต ก, ก็สึกไว้จิตไม่ใช่สัตว์ปุคลตวตนเราเขามันกักไม่ได้แล้วบันผ่านถ้าจะเป็นด่านมันกักมันขวงมันกัน้นทำให้สยบทำให้อยู่ผู้ที่จเจริญสติเนี่ยถือว่าผ่านได้เหมือน ด่านที่มันกักเราเดินทางไปโน่นไปนี้เราผ่านได้เราไม่ความถูกต้องเราชอบทำโดยเพพาะความรู้สึกตัวนะ่ะมันทำให้เกิดการผ่านได้อย่างสะดวกสบายตลอดทั้งไปเห็นสิ่งที่ครอบความกิดเห็นความง่วงเมาหานอนความลังเลสงสัยความคิดพุ่งสา่นยาบาทอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้น หวงกัน้นเป็นภูเขาลูกแรกผู้ปฏิบัติธรรมย่อมนี้ไม่พ้นเห็นความง่วงเอาหอนนอนความคิดมู้นั้นพระพุทธเจ้าก็เดินไปทางนี้แหละแต่ใครเห็นความง่วงความหังเลสงสัยเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นในเวลาเราเจริญสติทําให้เราหลงไปแสดงว่าเราเดินไปทางเดียวเส้นเดียวทางเดียวกับพระพุทธเจ้า จนพระพุทธเจ้าเลยตัดว่าเป็นภูเขาลูกแรกที่ขวงกิจไม่ให้บรรลุคุณงามความดีไม่ให้สติงอกงามความง่วงเหงาหานอนเราก็รู้สึกตัวอาจจะเปลี่ยนความง่วงเป็นความรู้สึกตัวเป็นปัญญาขอโทษเห็นความง่วงมันเกิดขึ้นมาเห็นความลังเลสงสัยเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นในเวลาเราเจริญสติ แต่ต้องเห็นไปในลักษณะแบบนี้แล้วการปฏิบัติธรรมมันสิ่งที่ผ่านหน้าผ่านตาเหมือนตาที่เรามองไปข้างหน้าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าลมก็เกิดการเห็นมันก็เห็นแต่เห็นบางอย่างเราก็ไม่ไปสยบเราก็ไม่ไปคล้องอยู่เมื่าเราเดินทางเห็นสองข้างทางเห็นตรงหน้าตรงตาเห็นขว่วเห็นน้ำเราก็ข้ามไปเห็นหลุมเห็นบ่อเราก็ข้ามไป ่านเกิดสิ่งไหนที่ไม่ใช่สติมันขวางแล้วก็ผ่านไปรู้สึกตัวเห็นแล้วเห็นอีกเห็นสิ่งเก่าๆเห็นแล้วเห็นอีกเห็นของเก่าเห็นแล้วเห็นอีกมันก็พัฒนาพัฒนาไม่ใช่ว่ามันจะหลงในตรงที่มันเห็นเห็นเรื่องเก่าๆเห็นมือที่มันเคลื่อนไหวไปมาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นความคิดเห็นสิ่งที่โครอบงำจิตใจ เป็นความสุขเป็นความทุกข์บา้ า, ททางเจอวะธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนธรรมก็คือกานสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผิดเป็นกุศลเป็นอกุศลกุศลก็คือความหลงในความสุขหลงในความรู้หลงในความคิดเหตุผลต่างๆอกุศลก็หลงในความทุกข์หลงในความโง่หลงงงหมายไปก็ไม่ม ตัดสินใจไปตามความโกรธตัดสินใจไปตามความทุกข์ตัดสินใจไปตามความโลภความหลงไปไม่หลงก็พยายามสร้างให้มันหลงหาเรื่องที่จะให้มันหลงเห็นความโกรธเจอเกิดความห ล, ลงก็พยายามปลุกให้มันหลงอยู่เรื่อยทาไมทำไ ม, ำไมยำคิดเรื่องเก่าให้มันหลงก็กลายเป็นความหลงที่เป็นไปเปืปเป้อนเราติดไป วันนี้เรามีสติมันไม่เป็นเหมือนเมื่อโกรธมันหลงเห็นความหลงเห็นความหลงบ่อยๆ่อยการเห็นสิ่งเก่าบ่อยๆ่ที่มันไม่ใช่ที่เรื่องการกระทำของเราก็เกิดปัญญาตรงนั้นด้วยจนเห็นเช่นเห็นกายที่มันเคลื่อนมันไหวอยู่เนี่ยเห็นไปเห็นมาดูไปดูมาเห็นลักษณะที่มันเคลื่อนไหวเป็นเดินเป็น คิดเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นหนาวเป็นอยู่ด้วยกันมันก็เห็นเป็นรูปประธรรมเห็นเป็นนามธรรมพอเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามมันก็สรุปให้เป็นกองรูปเป็นกองนามแต่ก่อนเราเรียกว่าเวทนาเรียกว่าสุขเรียกว่าทุกข์ทุกกายทุกกิตสุขกายสุขกิตใจ ร้อนร้นหนาวหนาหิวปวดเมื่อยพอว่าเห็นเป็นกองรูปกองน้ำก็เห็นเป็นอาการเห็นเป็นอาการของกองลูกเห็นเป็นอาการของกองน้ำไม่ใช่มีตัวมีตนอยู่ตรงนั้นสรุปให้เลยความร้อนความหนาวความหิวความปวดความเมื่อยเป็นอาการของรูกแตูปมันไม่มีอาการมันก็เป็นอันตราย ก็กลายเป็นปัญญาเอามาเป็นปัญญาไม่ใช่เอาเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะเรื่องของกายไม่ใช่เป็นสุขเพราะเรื่องของกิษกายก็คือของกองลูกความรู้สึกคิดนึกต่างๆเป็นกองนาบความหลงความโกรธความลอกความชังรีตกกังวลเศร้าหมองมันเป็นอาการของนาบเป็นอาการของกิจใจกิจใจมันก็ต้องมีอาการเช่นนั้น อาการที่มันเกิดขึ้นกับรูปอาการที่มันเกิดขึ้นกับน้ำไม่มากมายหลายอย่างเราก็สรุปว่าเป็นอาการไม่มีตัวไม่ตนอยู่ตรงนั้นแต่ก่อนก็หมดเหนื่อหมดตัวอยู่กับอาการต่างๆถ้าหลงก็กูหลงถ้าสุกกูกุศุกูทุกกูร้อนกูหนาวกูโกรธกูรักกูชังทำตามอาการก็ถูกหลอกก็ถูกความโกรธหลอกถูกความโลภหลอกถูกความหลงหลอกถูกความรักความชัง โฟการปรุงปแต่งแตๆหรอกแบบ น, นี้พอเหตุาการณ์ก็หยุดเป็นปัญญาเป็นปัญญาเกี่ยวข้องกับรูปเกี่ยวข้องกับนามเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นกับรูปถ้ามันไม่มีอาการมันก็อันตรายก็ถือว่าเป็นปัญญาขอบพุนเขาที่เขาล้นเขาหนาวข้อพูนเขาที่เขาปวดเขาเมื่อยขอบพูนเขาที่เขาลู่จากหิว๋วในของรูปของนามก็เป็นเช่นนั้นมันเป็น ตกอยู่ในสภาพไตลักความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนตัวของมันก็ไม่ใช่ตัวของมันมันก็เป็นไปตามอาการที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ผู้มีสติผู้มีปัญญาก็ เ, าเข้าไปเกี่ยวข้องกลายเป็นปัญญากลายมาเป็นปัญญาสิ่งต่างๆที่เคยสุขเคยทุกข์มาเป็นปัญญาพบเห็นเข้ารู้แจ้งรู้แจ้งในกองลูกกองน้ำ ก็ดูแลรักษาลูกดูแลรักษานามถูกต้องแต่ก่อนลูกนามพาให้ทำชั่วพาให้ทำผิดสินผิดธรรมเสียเวลาเสเวลาเบียดเวียนตนเองเบียดเวียนคนอื่นเป็นทุกข์เพราะกองลูกกองนามเป็นสุขเพราะกองลูกกองนามบันทีเราก็หลงหลงเอามาเป็นสุขหลงเอามาเป็นทุกข์ หาความสุขความทุกข์จากกองรูปกองนามไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่ปัญญามันไม่ใช่อยู่ในลักษณะแบบนี้เช่นคนเป็นโลคขี้กลากมีความสุขเพราะเรามีความสุขเพราะเราพอเราพอมันขี้กลากปันคันถ้ามันคันเราก็ต้องเกาพอเกาเราก็มีความสุขว่างแต่ว่าวิธีที่จะ รักษาขีกลากให้มันหายเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเกลวนะ น, นี่จึงจะเรียกว่าสุก ข, ขอไข่สุกกอไก่ก็คือเกลว์สุก ข, ขอไข่คือไม่ต้องเกลวไม่ต้องเป็นสุกเป็นทุกข์พกองรูปกองน้ำอีกแล้วไม่ต้องเก่วอีกเรื่องที่เกิดขึ้นกับรูปกับน้ำ เ, นเห็นแจ้งเป็นปัญญานะรักษาเอารูปเอาน้ำมาทําความดี เอ า, อ า, าเลูปเอานามมาละความชั่วเอารูปเอานามไปทําความดีความดีที่อาศัยรูปใสยนามนี่ยทำดีได้เยอะทาดีได้มากไม่เสียเวลาที่จะเอารูกวอานามไปทําชั่วเคยสูบบุหรี่เคยกินเหล้าเคยโกรธเคยโลภเคยหล ух, งกังวลหมดไปหมดไปแล้วบวะนีะเหลือแต่รูปที่เอามาทําความดีได้สําเร็จเอารูปมาละความชั่วได้สําเร็จ เอานำ ม, มาทำความดีได้สำเร็จเอานา ม, มาละความชั่วได้สำเร็จก็กลายเป็นประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่า น, นมันไปทางนี่นะปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปเห็นดิมิตเห็นสีเห็นแสงเห็นความสงบที่มันไปอยู่ที่มันทับเอาไว้ไม่ใช่แบบนั้นสงบแบบศิลาทับย้าอันนั้นไม่ใช่ออออกจากความสงบยา้ามันก็เกิดขึ้นมาอีก การปฏิบัติทำมันเป็นการเห็นแจ้งเป็นการเห็นแจ้งเนี่ยเราก็เห็นตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเห็นกายเนี่ยเห็นเวทนาเห็นความคิดเห็นสิ่งเหล่านี้หละมันเกิดขึ้นทีไรก็เห็นเห็นแจ้งเห็นแล้วเอาไว้ที่หลังเอาไว้ข้างหลังเอาไว้ข้างหลังเรื่อยๆไปความหลงเกิดขึ้นกับรู้แล้วเอาว่ารู้แล้วมันก็จบไปแล้ว อะไรที่มันเกิดขึ้นกับรูปกับนามกับกายกับจิตใจเรานะตัวสติเป็นตัวฉเฉลยไปเรื่อยๆไปได้หลักฐานของรูปของนามรูปนามมันบอกมันบอกมันคืออะไรมันเปิดตัวกองรูปมันก็เปิดตัวให้รู้ให้เห็นเห็นหมดเห็นครบเห็นทั่วไม่มีตรงไหนปิดบางอ้ำพางกองนามก็เปิดตัวให้เราได้รู้ได้เห็นว่าไม่เที่ยงว่าเป็นทุกข์อย่างไร แต่ก่อนเราเคยเป็นสุขเคยเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงเมื่อสิ่งความไม่เที่ยงเกิดขึ้นเป็นทุกข์ร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจความไม่ใช่ตัวตนก็พาให้เราเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์ก็พาให้เราเป็นทุกข์ควมเป็นทุกข์สร้างความทุกข์ความไม่เที่ยงก็สร้างความไม่เที่ยงกลัวความไม่ใช่ตัวตนก็เอามาเป็นทุกข์วันนี้มันเป็นปัญญา เห็นความไม่เที่ยงที่มันแสดงที่ได้ก็เป็นปัญญารู้แล้วเห็นความเป็นทุกข์ควาเป็นปัญญาเห็นความไม่ใช่ตัวตนก็เป็นปัญญาเราก็แสดงอยู่เสมอความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนแต่ก่อนเราก็ถูกสิ่งเหล่านี้ครอบงำพอมาเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริง ในความไม่เที่ยงก็จะแสดงอยู่ตลอดตั้งแต่เกิดจนตายในความไม่ใช่ตัวตนก็แสดงตั้งแต่เกิดจนตายในความเป็นทุกข์ก็ต้องแสดงอยู่เช่นนั้นในกองรูปกองนามแต่สิ่งที่มันพัฒนาได้คือสติคือปัญญาที่ไปเห็นเขาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เหความไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่นาให้ถึงมรรคผลในปานดังที่เราสวด ธรรมวัฒน์เช่าธรรมวัจเจณสเพสังขาราอนิจจาติยธาปัญญาจปัตสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมเลยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระในพานอันเป็นธรรมหมดจดการเห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่เล็กน้อยทำให้หลุดพ้นทำให้ไม่มีภพชาติตรงนี้ไม่เป็น ไม่หลงไม่เอามาเป็นตัวเป็นตนในความไม่เที่ยงเอาไม่เอามาเป็นทุกข์ไม่วิตกกังวลเมื่อน่านย่อมหน่อยในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพ涅槃อันเป็นธร้งหมดจดสเพสังขารทุกขาติยะธาปัญญาญาปัตสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อน่านย่อมหน่อยในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลง อันแหละเป็นทางแห่งพระนาพานอันเป็นทรรมหมดจดความทุกข์แท้ๆทาไมเกิดเป็นพุทธะพุทธะเกิดอยู่บนความทุกข์ความทุกข์ทำเกิดความไม่ทุกข์เป็นพุทธะขึ้นมาความหลงทําให้เกิดความไม่หลงเป็นพุทธะขึ้นมาความไม่เที่ยงทํำไมเกิดเห็นแจ้งทํำไมเกิดเป็นพุทธะขึ้นมาพุทธะหมายถึงตัวปัญญาไม่ใช่เกิดเป็นรูปเป็นตัวเป็นตน พุทธะจริงๆคือธรรมะที่เป็นตัวสติตัวปัญญาเช่นพระวะกระลิเห็นพระพุทธเจ้าศรัทธาต้องไปกราบไปไหว้จับนิ้วมือจับชายชีวลหลงในพระลูกของของค์ไม่ใช่ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั่นไม่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมก็กคือธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในบนรูปบนนาม เป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเราก็ใช้กุศลคือความเฉลียวฉลาดฉลาดออกจากทุกขไม่ใช่ฉลาดเพื่อหลอกลวงตัวเองหลอกลวงคนอื่นฉลาดออกจากทุกขเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์เป็นเล้วกุศลเปลี่ยนความหลงให้เป็นความไม่หลงเรียกว่ากุศล เปลี่ยนความโกรธในหะ้เป็นความไม่โกรธเรียกว่ากุศลเปลี่ยนความวิตกกังวลอะไรต่างๆที่มันเกิดอุปท า, านที่เป็นยึดตั า, านานะเป็นกุศลเป็นความฉลาดหรือพูดง่ายๆคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกเป็นนักเปลี่ยนแปลงความล่ายเป็นความดีมาอย่างไรเปลี่ยนเป็นความฉลาดแล้วมันก็เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนได้พอเรารู้สึกตัว ไม่ใช่ไปยอมยอมันเช่นแต่กรเรายอมมันมันหลงกับไปกับความหลงมันโกรธกับไปกับความโกรธมันทุกข์กัไปกับความทุกข์แต่นี่มันเปลี่ยนมันเกิดปาเกิดขึ้นมาเพื่อให้เราเปลี่ยนเพื่อให้มันเปลี่ยนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนปฏิบัตคิคือเปลี่ยนคือกลับคือเปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนทุกข์เป็นไปทุกข์เรารู้สึกตัวเรารู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่พอให้พัฒนา เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นมากเป็นผลเป็นญาณเป็นฌานแต่โลมากก็กำลังของความโลนะเราถ้าจะผมเหมือนสิ่งที่เผาผมรู้สึกตัวเหมือนเผาเผากินเละเผาความโลภความโกรธความหลงไม่ให้เหลือรู้สึกทีใดอะไรก็ตามถ้ารู้สึกตัวถ้าพลังแห่งความรู้สึกตัวนะกําจัดกินเละจะทำทั้งหลายได้ เช่นเราก็ใช้ได้แล้วตั้งแต่เริ่มต้นพอมันหลงที่ไรลู่สึกตัวเนี่ยความหลงก็หายไปพอมันโกรธที่ไรลู่สึกตัวความโกรธก็จะหายไปหรือเบาบางลงอย่างพระสจิตทาคาเม่ก็ไม่ใช่เรื่องอื่นแล้วองพระสิกิธาคาเมก็ทําทลายความโลภความโกรธความหลงเบาบางลงหรือหมดไป สำหรับพระโสดาบ้านเองก็สำหรัยสักกายทิฏฐิพิจิกิจขาศีละธธปตปลามาตสามข้อเท่านั้นรวมอะไรที่เกิดขึ้นกับกายไม่เอามาเป็นปัญหาเองแต่ว่าสักกายทิฏฐิไม่มีตนอยู่ในกายไม่มีตนอยู่ในกายเรื่องของกายไม่มีตนเห็นแล้ว สักกายทิทิไม่มีตนอยู่ในกายหรือว่าพระโสดาบันไม่เอาทุกต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายไม่มีตนที่จะเอามาเป็นทุกข์อยู่ในกายในรูปเน้นเป็นปัญญาวิกิจขีดาไม่สงสัยแล้วเรื่องกายเรื่องจิตใจไม่สงสัยไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่เป็นศิลพจน์ถือศักดิ์สิทธิ์ตัวเกิดเป็นปัญญา สีะระพตะปละมาณ์เนี่กิ่งจังกับกายกับรูป ก, กับนามไม่ใช่เห็นเป็นปัญญาแต่ก่อนเรกิ้งกับกายกับกจิตแต่คิดสิ่งใดก็ตัดสินใจทําตามความคิดแต่กายมันเกิดอะไรขึ้นมาก็ตัดสินใจเป็นสุขเป็นทุกข์เพรกายพระโสดาบันทําลายลงได้ส่วนพระนาคามีเพิ่มไปอีก กามราคะปฏิฆะตลอดถึงทำลายความโรคความโกรธความหลงลงไปความเป็นพระไม่ใช่เป็นรูปเป็นแบบเป็นคุณธรรมดังที่เราสวดพระสงฆ์เกิดจากพระศิธรรมมีการปฏิบัติ ด, ดีเป็นต้นเกิดจากพระศิธรรมคือความจริงในชีวิตจิตใจของเรา ความโกรธมันไม่จริงความไม่โกรธเป็นเรื่องจริงความทุกข์มันไม่จริงความไม่ทุกข์เป็นเรื่องของจริงมีการปฏิบัติดีเกิดจากพระสธรรมเห็นความไม่จริงเห็นความเป็นจริงความหลงมันไม่จริงสัมผัสดูแล้วความรู้สึกตัวความไม่หลงเนี่ยมันเป็นจริงความโกรธมันไม่จริงไม่ต้องไปเสียเวลาเพราะความโกรธดิ เพาไม่โกรธเนี่งเลยมันจริงกว่าเป็นธรรมกว่าพระสัจธรรมใครเป็นผู้บอกเราต้องบอกตัวเราเพราะเห็นกับหน้ากับตาต่อหน้าต่อตาทุกวันทุกเวลาเวลาเราปฏิบัติความหลงก็ผ่านหน้าผ่านตาผ่านดวงตาภายในคือสติสัมปชัญญะเป็นดวงตาภายในเห็นนะแลวว่ารู้แล้วก็ว่าได้รู้แล้ว สิงไหนที่มันเกิดขึ้นไี่ไม่ใช่สติสติรู้แล้วรู้แล้วไปนะไปแบบนี้ไปทางนี้นะปฏิบัติธรรมมันเป็นทางดูความรู้สึกตัวเหมือนทางความหลงมันก็เข้าลกเข้าพงไปคนที่เดินอยู่บนความรู้สึกตัวเหมือนคนเดินในบนเส้นทางเท่ล่งที่เตียน แต่ถ้าคนไม่เคยเดินทางอยู่บนความเตียนมนก็ไม่เห็นความไม่เคยขินเห่นเวลาใดเขาหลงเขาก็ไปกับความหลงความหลงไม่ต่างไม่มีอะไรเปรียบเทียบพวกเราที่เคยปฏิบัติเคยเจริญสติแล้วนะเมื่อรู้สึกตัวรู้สึกตัวมาหนึ่งวันสองวันสามวันหวันเจ็ดวันมันจะเห็นความหลงต่างกันกันกบความรู้สึกตัวคนละมุมกัน แล้วไม่มีใครที่ไปเอาความหลงเพราะเขาเคยรู้จึกตัวแล้วเหมือนเขาเดินทางเวลาที่เข้าป่าเขาก็ไม่เอาเขาต้องกลับมาเดินอย่าวนเส้นทางในบางทีตาไม่เห็นแต่ต้องสัมผัส ด, ดูก็เป็นอย่างนั้นทั้งคนตาบอดตามทางเขาก็รู้จักทางเพราะการสัมผัส การปฏิบัติธรรมมันเป็นทางพบเห็นและการสัมผัสสัมผัสกับความหลงสัมผัสกับความรู้สัมผัสกับความไม่ทุกข์สัมผัสกับความทุกข์เขาก็เลือกเป็นชีวิตเนี่ยมันต้องเลือกได้เลือกเป็นบุญวาสนามันเลือกได้ถ้าปฏิบัติไม่ใช่บุญวาสนาแข่งขันกันไม่ได้มันได้อยู่ ถ้าเป็นการกระทำวาดาสนาวาดก็คือทำเอาแต่งเอาเขียดเอาเลือกความรู้สึกตัวเลือกความไม่หลงเลือกความไม่โกรธเลือกความไม่ทุกข์พราะผู้ที่เจริญสติเวลาใดที่มันหลงขึ้นมาเขาจะไม่เอาเขาจะเลือกเป็นแล้ววันนเวลาใดที่มันโกรธเขาจะเลือกเป็นเวลาใดที่มันทุกข์เขาจะเลือกเป็น พ้นไปล่วงข้ามไปต่างเก่าพ้นเพราะว่าเดิมเรียกว่าวิปัสนาเลื่องปัญญาสู่มักสู่ผลมักผลก็ไปแบบนี้ไปใช่ตายแล้วจึงจะต้องไปได้มักได้ผลตั้งแต่ น, นมนมน้อยๆเช่นพระโสดาบันพระอริยบุคคลสมัยข้างพทธเจ้าเป็นครวดญาติโยมมีมากยังไม่ได้บวชบวช บรรลุธรรมเราจึงมาบวชเกตสิเปอเซนอย่างปัญจวิคีเนี่ยบรรลุธรรมล้วจึงค่อยบวชยาสาวกนบุตรบรรลุธรรมล้วจึงเลยบวชหลายหลายรูปที่บรรลุธรรมแล้วจึงบวชทีหลังเป็นพระจังบวชทีหลังพระพุทธเจ้าตัดไว้สองลักษณะฐานบวชสมัยครั้งพระพุทธเจ้าถ้าใครได้บรรลุธรรมแล้วมาบวชพระ อ, องค์ก็ตัดว่า เธอจนเป็นภิกษุมาเถิดทำไว้ในเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติธรรมนั้นเถิดเรียกว่าผู้บรรลุธรรมแล้วมาขอบวชสำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุธรรมมาขอบวชพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำไว้ในเราตัดดีแล้วเธอจงเป็นผู้ประพฤติทำให้เป็นที่สิ้นทุกข์เถิดมีไม่มากแต่ว่าเธอจงประพฤติทำนั่นเถิดมีมากกว่า เพราะนั้นการบรรลุธรรมนะอาจจะไม่ต้องใช่เพศสมหมายความว่าเอาการปฏิบัตินี่พวกเราก็สอนกันตรงๆเข้าไปแบบนี้ไม่ใช่มีวิธีรีตองอนไดอาจจะมีวิธีสวดมนต์ไหว้พระพอให้เราได้สาธยายทำให้ตัวเองฟังอ่านสวดมนต์ไหว้พระสาธยายทำให้เองฟังใส่ใจที่จะว่าบทตอนไปต่างๆทำให้เกิดสมาธิได้ การหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวเป็นทำให้ฟอกอากาศฟอกปอดเป่าปอดทำวัดเชา้าทาวัดเย็น30นาทีเป็นการเป่าปอดมันกับม้อกรองเป็นการฟอกปอดให้มันสะอาดาเช่นน้ำตกเขาเป็นปอดที่ฟอกตามที่เสียให้มันดี เวลาน้ำตกมันอากาศเข้าไปมันฟอกมันเป่าเราทำวัดเชา่าทำวัดเย็นเหมือนกันเหมือนกับการเป่าปอดมันก็เกิดอนในสง่งโดยเพราะเราทำวัดสวดมนต์เนี่ยเทียนเราก็ไม่จุดทูบเราก็ไม่จุดไม่ให้มีคาร์บอนไม่ให้มีควันอะไรเกิดขึ้นอากาศบริสุทธิ์เราก็สนุกสูดลมเข้าปล่อยลมออกที่เราสูดบางบทมันยาว จนสุดลมหายใจดีมากพยายามให้มันยาวๆออกไปจนหมดจนหมดจนหมดเสียงเลยนะสูดลมเข้าปล่อยแล้วปอกนี่การสวดมนต์ไหว้พระเป็นส่วนหนึ่งที os, ่ให like ้เป็นส่วนประกอบไม่ใช่เรามาเอาดีตรงนี ran, ้เราเอาเสียงที่มันจะถูกเก่งๆชนกันจกิงๆงจเอ๋กันจจียงเจเอ๋กับความหลง มันจะเกิดขึ้นทางไหนจะเอต่เตื่อพือพบกันหน้ า, ต, น า, ต, า, ต, า ต, ต, ต่อหน้าตาต่อตามีสติรู้สึกตัวมีสติรู้สึกตัวเนี่ยต่อหน้าต่อตาตาต่อตาฝันต่อฝันความเป็นจริงเราต้องเป็นความเป็นจริงทำย่อมชนะอธรรมอยู่เสมอถมอม้าเรามาสร้างความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัวรู้สึกตัวไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นฐานตั้งไว้ บ้านเรือนที่มีฐานตั้งไว้คีบเราก็มีฐานเป็นที่ตั้งยาวางเลื่อนเลื่อนอยลยเหมือนเสาหลักปักขี่คุณไม่ได้อะไรพัดไปก็เอ็งไปเสาหลักประกี่คนลมพัดไปทางไหนก็เอ็นไปทางนั้นความรักเกิดขึ้นกับไปกับความรักความชั่งเกิดขึ้นกับไปกับความชังความสุขเกิดขึ้นกับไปกับความสุขความทุกข์เกิดขึ้นกับไปกับความสุขไม่ได้ ชีวิตเราไม่ใช่เป็นเช่นนั้นต้องเป็นศิลาแท่งทึบไม่เสถียรพ่อรมผู้ประพฤติทําไม่หวั่นไหวพ้นนินทาสรเสริญพวกเราลู่มีฐานเป็นที่ตั้งจึงหมาะแก่การทํางานทําการเหมาะแก่การประกอบอาชีพเหมาะแก่การเป็นผัวเป็นเมียเหมาะแก่การเป็นพ่อเป็นลูกเหมาะแก่การเป็นเพื่อนเป็นมิตรเหมาะแก่ความเป็นครูอาจารย์ เหมาะแก่ความเป็นพระเป็นเจา้าเป็นสงฆ์จึงเป็นความเหมาะสมพู้ถึงธรรมที่จะไปประกอบการงานอาชีพถ้าไม่มีฐานอย่างนี้แล้วก็หลุดง่ายไม่มีตึงไว้ให้แน่นก็หลุดพังลงไปเหมอือนกับสร้างบ้านดีๆแล้วไฟเผาอมอดลงไปครึ่งบาปครึ่งบุญนะถ้าไม่ประพฤติธรรมมันครึ่งบาปครึ่งบุญ